ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องแป้นมิใช่มีไว้ติดโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่23มีนาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ มีคำถามแผ่นแรกถามมาว่าเราจะตรวจสอบตัวเองอย่างไรว่าติดแป้นหรือไมน่นแล้วก็จะมีอุบายหรือเทคนิคอย่างไรที่จะพัฒนาศีลของตนเองให้ยิ่งขึ้นเมื่อรู้สึกว่าศีลไม่เก้าหน้าหรือตกหล่นลง มันมันเหมือนก็นจะเป็นสองคำถามนะคำถามแรกก็คือเราจะตรวจสอบตัวเองอย่างไรว่าติดแป้นหรือไม่เนี่ยก่อนอื่นเนี่ยต้องคอยเตือนตัวเราเองหรือต้องคอยบอกตัวเราเองว่าเราถือศีลปฏิบัติธรรมไปมันจะมีช่วงจังหวะที่เรา อะไรอะเหมือนกับว่าทําได้ดีขึ้นมาขนาดหนึ่งแล้วมันจะสบายณนะช่วงแ ร, แรกเนี่ยสบายเนี่ยไม่ได้หมายความว่าติดแป้นนะเพราะเป็นธรรมดาเมื่อเราถือศีลหรือเราตั้งตาบะแล้วเราทําดีขึ้นมาได้ก็จะมีปิติสุขพวกเนี้เกิดขึ้นนะมันเป็นเหมือนกับเป็นก็จะว่าไปเหมือนกับเป็นผลตอบแทนอย่างหนึ่งของคนเรา ที่เมื่อเราทำดีเราทาอะไรได้สำเร็จเราก็จะรู้สึกเป็นความสุขเป็นความภูมิใจอันนี้เป็นเป็นเป็นผลตอบแทนธรรมดาธรรมดาที่ใครทำก็ต้องได้ทั้งนั้นนะซึ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องของการติดแป้งคำว่าติดแป้งเนี่ยมันคือเมื่อเราได้สุขสบายแล้วเนี่ยจากผลที่เราทำได้ ถ้าโดยสภาพปกติธรรมดามันจะคลายลงความปิติสุขนั้นจะคลายลงยกตัวอย่างดีกว่าสมมุติว่าคนที่ฝึกเลิกกินเนื้อสัตว์มาได้แล้วก็มากินมังสวิรัตพอมากินมังสวิรัตแล้วใช่ไหมหรือบางคนกินลดมื้อจากจุกจิบเนี่ยลงมาได้ มาเหลือกินเป็นมือ้อหรือว่ามาเหลือเป็นมื้อเดียวอะไรอย่างนี้พอทําได้แล้วเนี่ยโอ้โหจะมีความภาคภูมิใจมากเลยซึ่งถ้าใครทําได้จะจะเห็นเลยว่ามันเป็นอารมณ์มันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองที่เรารู้สึกว่าแม่มันสบายเหลือเกินนะมันอิ่มอกอิ่มใจเหลือเกินมันภาคภูมิใจเหลือเกินจะรู้สึกอันนี้เลย แล้วพอรู้สึกแล้วเนี่ยเราก็จะอะไรอะมีความสุขมีความสบายอกสบายใจที่ที่อยากจะมีอย่างเงี้ยอยากจะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนนั้นก็จะพยายามกินมื้อเดียวต่อไปให้ได้คือไม่ใช่ได้แค่วันเดียวไม่ใช่ได้แค่ครั้งเดียวคนนี้ก็จะพยายามทำอย่างเงี้ยให้ได้ไปเรื่อยๆหรือว่าให้ได้ไปตลอดการเพราะฉะนั้นสมมติว่าเป็นเรื่องกินมื้อเดียว ร้นขายนี้พอคนนี้กินมื้อเดียวได้ใช่ไหมโอ้โหมีความสุขในที่นี้ที่บอกว่าได้นี่ไม่ใช่แบบว่าแหมสู้อยู่ฝืนอยู่แล้วก็คมอยู่บังคับใจอยู่ถ้าอย่างเงี้มันยังไม่สบายหรอกมันยังรู้สึกบางทีทุกๆ ก, กุ้มๆอยู่เลยนะแต่พยายามสู้กับกิเลสของเราอันนี้ยังฝืนอยู่แต่ที่จะมาพูดแต่ต้นมาเนี่ยหมายถึงว่าเราสู้ได้แล้ว เรารู้สึกไม่ต้องไปเคร่งเครียดไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรกับมันแล้วเรารู้สึกแม่ปลอดโปร่งรู้สึกสบายเลยอันนี้เมื่อทําได้อย่างนี้แล้วคนนี้ก็อยากทําสมมติกินมื้อเดียวเนี่ยก็อยากได้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันอยากได้ไปเรื่อยๆตอนนี้อาตมาถามพวกคุณดูนะว่าอา้าวสมมุติว่าอาทิตย์แรกหรือเดือนแรก คุณกินมื้อเดียวได้เนี่ยคุณก็ยังรู้สึกว่ามีความสุขอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันได้ใหม่ๆแต่ถ้าสมมุติว่าอา้าสองอาทิตย์แล้วหรือว่าสองเดือนเข้าไปแล้วหรือเป็นปีเข้าไปแล้วคุณยังจะมีปิติเหมือนเดิมไหมมันไม่มันไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมไอ้ปิติพวกนี้มันจะอะไรซ้ำซ้ำ ซ, ซากๆแล้วจริงๆแล้วมันจะมันจะเฉยๆแล้วมันจะธรรมดาลงจริงๆแล้วมันมันจะไม่ มีความอิ่ม อ, อกอิ่มใจอะไรเหมือนเดิมหรอกนะาพ้นความเป็นจริงแล้วปิติจากที่เราทำได้เนี่ยแม้ว่าเราไม่อนะมันมันก็จะลดลงมาเองโดยธรรมดาโดยธรรมชาติแล้วมันก็จะเหลือเป็นความปกติเป็นความธรรมดาที่เรียกว่าจะเมื่อไรจะยังไงถ้าคุณทำได้ถาวรจริงแท้แน่นอนแล้วนะคุณก็ก็กินมือเดียวไปได้ตลอด จะอยู่ที่บ้านจะอยู่ที่ไหนจะไปกับใครเขาที่ไหนก็ตามก็กิน ม, มือเดียวได้ไม่ทุกไม่กู้ไม่อะไรละแต่มันไม่ได้สุขเหมือนใหม่ๆมันก็เฉยเฉยละมันเป็นสภาพที่ธรมธรมดาธรรมดาตอนี้จะต่างจากตรงติดแป้นตรงหลังจากที่เราทำได้ได้แล้วเนี่ย ได้ได้ที่เราบอกว่าธรรมดาแล้วเนี่ยสมมติกินมื้อเดียวได้เป็นธรรมดาแล้วเลิกกินเนื้อสัตว์มาได้เป็นธรรมดาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้เรากินได้โดยโด ย, โดยปกติเนี่ยแต่ปรากฏว่าคนนี้พอพอกินได้ในลักษณะนี้แล้วคนนี้ก็ติดอยู่อย่างนี้แหละทั้งทั้งที่ในในสภาพความเป็นจริง แม้คนเรากินมื้อเดียวได้เนี่ยอาดามาอยากจะถามคุณว่ากินมื้อเดียวได้เนี่ยหมายถึงว่าเลิกไม่ต้องไปมีกิเลสเกี่ยวกับเรื่องกินให้เรา ไ, ได้ฝึกอีกแล้วหรือเปล่าฮะยังใช่ไหเพราะมันยังมีอะไรครับอีกแล้วเรื่องรสชาติอาหารเรื่องปริมาณอาหารใช่ไหมอีกตั้งหลายอย่างที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะทําให้เราอะไร ป่วยง่ายกินแบบแบบเสบเนี่ยแม้มื้อเดียวเนี่ยนะโอ้โหคุณชอบกินอะไรอร่อยอร่อยคุณก็จะกินแต่ที่ของอร่อยแต่คุณกินมื้อเดียวนะใช่ไหมคุณยังจะติดใจอย่างเงี้ยโอ้โหติดแป้นอยู่กับก็ลองมื้อเดียวได้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะสูงกว่านี้ที่จะเป็นการลดละกิแดสกว่านี้เราเราเฉยละเราไม่ใส่ใจด้วยละเราไม่สนใจอะ่ะเพราะตอนนี้ทํามื้อเดียวได้นี่เราก็ เอาแค่มือเดียวได้ก็พอแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ที่สูงกว่า น, นี้ที่เหนือกว่า น, นี้เอาพักไว้ก่อนเราเรายังไม่อะไรไม่ทำให้สูงขึ้นไม่ข ย, ยับฐานขึ้นไปกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นคนนี้ก็จะไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งทั้งที่คนนี้ยังทำมือเดียวได้อยู่เหมือนเดิมนะแต่กิเลสไม่ลดลงกว่า น, นี้แล้วออย่างเช่นกิเลสเรื่องเรื่อง มือนี่เขาลดลงมาได้แต่กิเลสเรื่องปริมาณจริงๆโอ้โหมือเดียวแต่กินเป็นกะละมังอะไรเนะมือเดียวเนี่ยกินเป็นกะละมังกะละมังเลยก็ได้โอ้โหาฉะนั้นบางคนนี่มือเดียวก็จริงแต่โอ้โธงกินเยอะนะกินมากแล้วก็กินนานคุณดูนี่นี่กระเสพนะกินแบบนี้คุณก็เสพเป็นกิเลสอยู่เพียงแต่ ว, ว่ามันผ่านกิเลสเรื่อง เรื่องหลายมือมาได้เท่านั้นเองแต่กิเลสอื่นที่ยิ่งกว่า น, นี้อ่ะที่สูงกว่าแค่แค่เรื่องมือเดียวคุณไม่สู้แล้วนี่คุณหยุดอยู่แล้วคุณก็ถือว่าเอ้ยได้มือเดียวแล้วเราสบายแล้วเราพอแล้ะอันนี้เขาเรียกว่ามักน้อยในกุศลนี่พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสว้เลยว่าถ้าหลักการของศาสนาพุทธแล้วถ้าใครมาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาพระพเจ้าท่านบอกเลยว่าต้องไม่มักน้อยในกุศล ท่านถึงใช้คํานี้เลยซึ่งคํานี้แหละหมายความว่าอย่าติดแป้นเมื่อคุณทําได้ดีขนาดไหนแล้วคุณจะต้องทําให้ได้ดีมากขึ้นเพราะถ้าใครดีแค่ไหนแล้วใครก็หยุดแค่นั้นใช่ไหมไม่เพิ่มคุณธรรมไม่เพิ่มความดีไม่เพิ่มไม่เพิ่มฐานของตัวเองนั่นแหละแสดงว่า น, น่คุณมากน้อยแล้วคุณไม่ยอมเพิ่มให้มากกว่านะ่ะหลังที่คุณได้ดิบได้ดีมา อพรนี้แหละอันนี้นี่มีในพระสูตรเลยมีมาในพระตรปิดกเลยผู้เจ้าตรัสเอาไว้เลยนะว่าจะต้องไม่มักน้อยในกุศลธรรมเพราะฉะนั้นคาวนี้เนี่ยเมื่อเรารู้อย่างนี้ตะกี้ยกตัวอย่างในเรื่องกินขึ้นมานะี่ยโอ้โหเห็นไหมแม้มือเดียวคุณยังจะต้องมาฝึกเพิ่มอีกเพิ่มอะไรบ้างเช่นเอาสิมือเดียวแต่จํากัดชนิด อาหารที่กินก็ได้ใช่ไหมว่าจะกินชนิดไหนชนิดไหนไม่ควรกินคือมาดูกิเลสเราเพื่อที่เราเนี่ยจะลดกิเลสไอตัวเรื่องการติดในรสชาติให้มันหมดลงไปอีกให้มันลดลงไปอีกเพราะนั้นคนนี้ก็มากำหนดได้หรือแม้แต่ปริมาณอย่างที่บอกอ่าหัดดูสิเรากินปริมาณให้น้อยลงกับที่ที่เราเสพอยู่ได้มากมือเดียวเนี่ย ว่าเออให้มันลดลงให้มันพอดีหาจุดพอดีให้ได้่าเออลดลงไปลดลงไปลดลงไปแค่ไหนถึงพอดีที่สุดสาหรับเรามื้อเดียวเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้จำนวนครั้งว่าวันนึงเนี่ยกินครั้งเดียวพูง่ายนะวันหนึ่งเนี่ยกินครั้งเดียวเนี่ยถือว่าพอดีแต่ครั้งเดียวเนี่ยยังไม่ได้กำหนดลงไปเลยว่าปริมาณเท่าไหร่แม้กินครั้งเดียวเนี่ย วันข้านี้เราจะมาลดกิเลสในการกินครั้งเดียวเนี่ยซึ่งเรายังมีกิเลสอยู่อีกนะให้ลดลงไปให้ลดลงไปให้มันพอดีให้ได้ในครั้งเดียวเนี่ยแหละว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงพอดีพอเหมาะวันคนนี้เมื่อเมื่อไม่ติดแป้นคนนี้ก็มาเริ่มอีก้เอาเลยบางทีขรานี้เริ่มจากเออเดี๋ยวเดี๋ยวอาทิตย์นี้เราจะลองกินซิ ปกติเราตักข้าวไม่นับเลยนะเอาให้มันเต็มชามไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้เราก็เอออาจจะนับสักกี่ทพีหรือว่าตักมาแล้วนี่ก็เอาภาชนะที่มันแน่นอนที่ให้เราได้ฝึกดูจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเรากินขนาดไหนถึงจะพอดีเพราะอย่าไปเปลี่ยนภาชนะที่เรากินอยู่เรื่อยเรื่อยต้องพยายามที่จะใช้ภาชนะที่เท่าเดิม เราจะได้ตากมาขนาดไหนกินไปขนาดไหนเราถึงจะรู้ว่าเออขนาดนี้ยังมากไปเออขนาดนี้อาจจะน้อยไปอะไรอย่างนี้ถึงจะได้มาฝึกรู้ความพอดีตรงนี้ความมักน้อยอที่คนเราฝึกอย่างเช่นอาหารการกินเราน้อยขนาดไหนแล้วพอดีเสื้อผ้าที่เราใช้อยู่น้อยขนาดไหนแต่พอดี คนที่ยังใช้ทรัพย์สินเงินทองอยู่เออเราจะต้องจับจ่ายใช้สอยอะไรต่างๆนานาเออเราใช้น้อยที่สุดแต่ขนาดไหนล่ะแล้วพอดีวันกูก็จะต้องมาจดใช่ไหมมาจดมาตรวจตาดูว่าเออเราลดลงไปให้มันน้อยที่สุดแล้วถึงจะพอดีโดยเฉพาะปัจใจสี่ผู้เจ้านี่จะสอนไปเลยโดยเฉพาะพิกษุเนี่ยปัจใจสี่มีอะไรบ้างหนึ่ง อาหารใช่ไหมตัวที่หนึ่งเพราะอาหารเนี่ยท่านถึงอ่าอันนี้ท่านตราดรัสไปเลยยิ่งกับภิกษุเนี่ยหน้าฉันหน้าที่นั่งแห่งเดียวฉันมือเดียวนะท่านถือว่าพอดีอ่าเสร็จแล้วก็นั่นแหละพยายามให้มันน้อยที่สุดอย่านี้ดีเรื่องของอาหารเอาแล้วอะไรอ่าเอาเอาเสื้อผ้าเอา ใช่ไหมถ้าให้ใช้ผ้าสามผืน อ, อย่างเงี้ยถ้าเป็นพระแต่เอาอยัางพวกเราอะ่ะเราเคยไปทดลองดูอย่างว่าใช้น้อยที่สุดเท่าไหร่แล้วพอดีเคยไามเนี่ยเคยคิดกันบ้างไหมเคยไปนึกๆบ้างไหมว่าเออเราจะใช้พอดีเนี่ยสักกี่ชุดเคยนึกไหมสามชุดนี่น่าจะพอดีอตมาจะไม่แม่นแล้วนะว่า ว่าอาโศกเราเนี่ยเราเคยมีแต่ก่อนนี้เคยมีพูดถึงว่าเออใช้สักกี่ชุดจะพอดีจำไม่ได้ละไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากี่ชุดไม่รู้สำหรับคารวาสนะอันนี้พูดถึงคารวาสถ้าเป็นสมนาณะนี่ก็ใช้แค่สองชุดเท่านั้นเองแต่ถ้าทั่วไปรู้สึกจะห้าหรื อ, อยังไงจำไม่แม่นฮะจาไม่แม่นนะ แต่เคยพูดสมัยก่อนเคยพูดกันแต่นานละไม่ค่อยได้พูดคุยกันก็เลยมันก็เลยเลือเล่อนๆไปละแต่พวกคุณจะใช้น้อยกว่านั้นก็ได้ใช่ไหมถ้าคุณใช้น้อยแล้วคุณก็ใช้ได้ดีได้โดยที่คุณเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรใช้น้อยที่สุดได้แล้วก็ยังรู้สึกว่าเออก็สบายอยู่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะ อะไรใช้เป็นชุดรับแขกก็ได้ใช้เป็นชุดกินข้าวก็ได้ใช้เป็นชุดไปเที่ยวเตนไหนก็ได้อะไรเงี้ยคุณก็ใช้ได้หมดเลยอ่ะคุณสามารถจะใช้ได้แล้วก็น้อยชุดที่สุดเนี่ย อ, นะอั น, นเนี่ยอั น, นิสวุรย์นี่อย่างที่สองคุณลองไปสำรวจตัวเองอาตมาสมัยก่อนยังเคยเลยตอนที่ยังไม่มาอยู่วัดแล้วก็กำลัง ยังไม่ไม่ค่อยจะปฏิบัติทำโดยโตรงได้ซําไปแต่เคยนึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมจะต้องใช้มากๆเลยนะนึกอยู่ว่าเอ๊ะมันน่าจะใช้ชุดที่เหมือนกัารมาเคยพยายามจะดีไซน์เสื้อผ้าเหมือนกันนะออกแบบอะออกแบบชุดที่ใส่ทํางานก็ได้ใส่ไปเที่ยวไหนก็ได้ใส่นอนก็ได้จริงๆเคยนึกอย่างนั้นจริงๆ แล้วก็เออพยายามนึกนะจะออกแบบยังไงชุดที่มันมันใช้ได้ทุกสถานที่อะทุกทุกเวลาที่เราจะไปไหนไปทำอะไรก็ได้เคยนึกอย่างนั้นจริงๆเคยพยายามจะออกแบบแต่ว่าไม่สาเร็จ้วนะพอคิดออกมาแล้วก็เอามาใช้แล้วก็เออมันอย่างนี้มันก็ไปใช้ออกงานไม่ได้นะมนอนคือยังไม่ประสบความสาเร็จแต่เคยนึกแล้วก็เคยพยายามคิดจะทาให้ได้ แต่ว่ายัง <S <S ยั ง, ย, งยังหาไอชุดที่ลงตัวเนี่ยไม่ได้มันยังมีคือไอชุดนอนเนี่ยของกล้วยอยู่แล้วเพราะว่าใส่อะไรนอนก็ได้มันไม่มีใครมายุ่งกับเราอยู่แล้วที่จริงชุดนอนน่ไม่ต้องพูดถึงเลยมันมันจะต่างจากคนโลกโลก่ไหมถ้าเขาไม่ปฏิบัติธรรมเลยเนี่ยแหมเขาต้องมีชุดนอนตันหกักแต่เราถ้าถ้าพอจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาป้อโทเอ้ยชุดไหนก็ใส่นอนได้ทั้ง น, นั้นแหละ มันหลับเหมือนกันหลับแล้วก็ไม่รู้เรื่องอนะพอชุดนอนเนี่ยกล้วยที่สุดมันจะมีแค่สองอย่างอ่ะที่รู้สึกว่าจะให้นั่นที่สุดก็คือชุดทํางานกับชุดแบบอะไรอ่ะไปเดินเล่นไปออกงานไปอะไรอย่างเงี้ยคือจะทํำยังไงให้ให้สองอย่างเนี้ยใช้ได้เคยหลังๆพอตอนปฏิบัติธรรมแล้วก็ใกล้จะ อะไรอ่ะก็ยังไม่กล้ายัยมาอยู่วัดอ่ะแต่ว่าเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วแต่แต่เริ่มต้นเท่านั้นเองเริ่มเริ่มออกแบบดีไซน์แบบเป็นเสื้อแขนยาวเพราะว่าเสื้อแขนสั้นเนี่ยมันบางทีมันใช้ไม่ได้ในบางอย่างแต่อย่างแรกคือต้องเป็นเสื้อแขนยาวเพราะแขนยาวเราสามารถพับแขนได้ใช่ไหมเพราะมันจะใช้ในกรณีไหนยังพอจะใช้ได้เพรา ะ, ะั้นตอนแรกเนี่ยออกแบบมาเป็นเสื้อแขนยาว แต่ว่าเปลี่ยนแทนที่จะเป็นไอ้ทรงแบบฝรั่งอะ่ะแบบเป็นเสื้อเชิ้ตเนี่ยใช่มแต่ก่อนนี้ชอบนะเป็นเสื้อเชิ้ตแล้วก็พับแต่ตาหลังนี่แบบออกแบบแบบไทยๆหน่อยก็เลยเป็นเสื้อแบบกระบอกแขนกระบอกแต่ติดกระดุมเทียมติดกระดุมเทียมไม่รู้ติดกระดุมหลอกอะ่ะเขาเรียกว่าติดกระดุมหลอกเอนะแต่ว่าเวลาเราจะ อยู่สบายสบายหมายถึงไปไปเที่ยวไหนไปอะไรเราก็พับแขนขึ้นมาได้แต่มันจะดูเป็นแบบไทยๆเพราะเสื้อแบบของไทยเนี่ยมันจะเป็นแขนแขนกระบอกใช่ไหมไม่ไม่ผ่าเหมือนกับเสื้อเชิดเขาเสียจแล้วเอาคราวนี้พอมาถึงปกเสื้อถ้าเป็นเสื้อเชิดทั่วไปเขาก็ต้องมีปกเสื้อใช่ไหมแต่เราก็เอ๊แบบไทยๆเราเราอยากเป็นปกเสื้องั้นได้ไงก็เลยลหลังก็เลยเอาปกออก ไม่ต้องมีปกแล้วก็ทําคอเสื้อเหมือนเหมือนเหมือนคอกลมอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเสื้อมอฮอมเราเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ใช่เพราะว่ามอฮอมนี่มันมันมันกว้างมันลึกไปมันมันกว้างไปก็ทําให้มันแคบลงมาหน่อยเหมือนเหมือนเหมือนทรงทรงไทยพระราชาทานทุกวันเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นคอตั้งแบบนั้นเราทําเป็นเป็นคอกลมแต่ว่าติด ก, กระดุมตั้งแต่เม็ดบนสุด เหมือนเหมือนเสื้อมอฮอมพยายามแล้วก็ตัดด้วยไปตัดมามาใส่แล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ไปไปทำงานก็ใส่มันก็พอไปได้หรอกแต่เพียงแต่ยังรู้สึกว่ามันไม่สมบูรณ์เท่านั้นแหละเน่ยจนต่หลังเนี่ยถึงมาเห็นที่เขาออกแบบเป็นเสื้อเสื้อคอไทยทุกวันนี้ที่เป็นแบบพระราชฐานเป็นแบบ คอราชประแตนนี่ยนะหรือว่าคอคอเสื้อพระราชทานอย่างนั้นถือมาเห็นอ๋อจริงๆอย่างนี้เนี่ยถือเป็นค่านิยมแบบไทยๆด้วยแล้วเขาก็ใช้กันมันอยู่แล้วแต่ตอนนั้นอาตมาไม่รู้หรอกเราก็เลยไปทําเหมือนกับเสื้อไอ้หม้อหอมซะแต่นี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าอันเนี้ยก็เป็นแนวคิดที่พยายามที่จะคิดว่าเราจะมักน้อยลงมาได้ย่างไงที่ให้ ใส่เสื้อผ้าเนี่ยให้น้อยชุดลงมาได้โดยที่เราเนี่ยอะไรอ่ะไม่ต้องไปฟุ่มเฟือยะแม้แต่รองเท้าเหมือนกันนะพูดถึงรองเท้าก็กยังพยายามคิดอย่างนั้นเหมือนกันว่าเออจะใส่รองเท้า ย, ยัางไงที่มันไม่ต้องมีรองเท้าไปเที่ยวไม่ต้องมีรองเท้าไปอะไรนะใส่ทํางานเดี๋ยวนี้แม้รองเท้าใส่นอนไอ้ใ่ อยู่ในบ้านแม้ยังจะต้องมีอีกนะโอ้โหบอกเออจะทํำยังไงให้มันน้อยลงมาจนตอนหลังอ่ะที่ที่มาเริ่มจะปฏิบัติธรรมมากขึ้นแล้วถึงได้ตอนหลังเลยเลิกไม่ใส่รองเท้าเลยเพราะว่าเออไม่เห็นต้องใส่รองเท้าก็ได้พูดง่ายว่าตอนหลังเนี่ยนะจะใช้รองเท้าต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้นแต่ว่าอันนี้เป็นช่วงที่เริ่มปฏิบัติธรรมแล้วเสร็จแล้วก็เลยตอนหลังเนี่ไปไหนก็พยายาม ไม่ใส่รองเท้าลองลองลอ ง, ลองไปดูโดยไม่ใส่รองเท้าโอ้โหมันยากจริงๆยากจริงๆไม่ง่ายเลยถ้าถ้ายังอยู่ข้างนอกนะถ้าเรายังทำงานํำการอยู่ข้างนอกแล้วไม่ใส่รองเท้าไปไหนนี่แมฝืนใจเราสุดๆเลยเหมือนกันนะ่าแต่นี้ก็พูดให้เห็นถึงเรื่องของความมักน้อยนะอา้าวสองแล้วสามเรื่องที่อยู่อาศัย เอาละเขาเนี้ยเรื่องที่อยู่อาศัยมักน้อยหรือเปล่าเริ่มตั้งแต่เตียงนอนบ้างนะว่าเดี๋ยวนี้ใช้น้อยลงไหมพอมาปฏิบัติเนี่ยเราเริ่มใช้เสือหรือว่านอนกับพื้นก็ได้ใช่ไหมเตียงเริ่มชัจกจะไม่จําเป็นก็ได้อันเนี้ยนี่นนี่คือความมักน้อยที่เราน้อยลงแล้วความมักน้อยลงเนี่แหละทําให้เราติดแป้นไม่ได้เข้าใจไหมที่ทําไมถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้อ่ะเตียงบัง่ง โต๊ะมั่งข้าวของเครื่องใช้มั่งซึ่งเราเองปกติโอ้โหจะต้องมีนะั่นมีไอ้นี่อยู่เรื่อยๆเลยบางคนเนี่ยแค่อะไรนะแก้วถ้วยแก้วกินน้ําโอ้โหมีหลายอย่างเหลือเกินวางไว้ตรงนั้นทีวางไว้ตรงนี้ทิงวางไว้อะไรนะในห้องนอนทิง <c oughs> โอ้โหแ ย, ยะไปหมดคุณจะมีแก้วสักกี่ใบกัน เพราะอันนี้ยจริงๆแล้วเอ๊ะมันมากน้อยได้นี่เพียงแต่ ว, ว่าเราขี้เกียจใช่ไหมบางทีเราก็เออที่เนี้่เอาไว้หนึ่งถ้วยที่นโน้นอย่าไว้หนึ่งถ้วยจะได้ไม่ต้องเดินไปไกลไงไม่ได้ไม่ต้องไปหยิบตรงนั้นไม่ต้องไปหยิบตรงนี้ส่วนใหญ่อะเราก็เลยกลายมันเรียกว่าเอาเลยเอาความสุขความสบายแล้วนี่ก็คือความติดแป้นติดแป้นเนี่ยมันเสพสบายเพราะนั้นมันก็เอาโน่เอานี่เอานั่อ น, อา น, านอะไรเผื่อไว้เผื่อไว้เผื่อไว้ เพราะมันไม่มากน้อยเมื่อไม่มากน้อยเนี่ยมันก็จะติดความสบายแล้วมันทําให้รถไม่ลงยิ่งเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยที่อยู่อาศัยนีย่รวมเกือบหมดเลยนะคุณโอ้โหแม้แต่อะไรอะ่ะคุณจะแปรงฟันคุณจะใช้ยาสีฟันคุณจะอะไรนี่เป็นเรื่องที่อยู่อาศัยงั้นเรื่องทรงผมอีกเอา้าผมเผ่าคุณอย่างเงี้ยนะะที่หลับที่นอนที่โต๊ะทํางาน คือคอืพอเราติดแป้นเนี่ยเราเสพสบายอะไรอยู่เราก็อยากจะเสพสบายอยู่เหมือนกันเราไม่อยากไม่อยากที่จะลำบากขึ้นบ้างเราจะไม่ยอมเพราะลำบากขึ้นเนี่ยมันก็คือถ้าคุณเริ่มมักน้อยเนี่ยคุณจะต้องลำบากขึ้นใช่หมไอความสุขความสบายที่เราเคยมีอยู่มันจะต้องลดลงเพราะะนั้นข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆที่บางทีโอ้โหเคยสบายนะ มีเอด้วยมี อ, มอนี่เดินไปตรงไหนก็ยิ่งเดี๋ยวนี้กดปุ่มเมากดปุ่มเมาไปตรงไหนก็กดปุ่มเมาเนี่อวันนี้ก็จะยินท่านเมืองแก้วพูดถึงว่าบางคนอาจจะหุงข้าวไม่เป็นแล้วขณะใช้หมอไฟฟ้าบางทีใส่น้ำเสรจใส่ข้าวเสร็จอะไรอะเสียบปลั๊กเสร็จยังลืมกดปุ่มอีกก็ <c oughs> <c oughs> ยังมีเลยบางคนลืมเสียบปลั๊กบางคนก็ลืมกดปุ่มก็ยังมีเลยคืออือมันง่ายซะจนเนี่ย คือความง่ายเนี่ยนะทำให้คนเราเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยจะจดจะจําอะไรอะแล้วก็จะจําไม่ค่อยได้ด้วยเพราะว่ามันง่ายเกินไปไงคืออะไรง่ายเกินไปมันทําให้คุณจําไม่ค่อยได้คุณไปสังเกตไหมอะไรที่ง่ายๆง่ยะผ่านคุณไปง่ายๆคุณทําอะไรได้ง่ายๆเนี่ยนะคุณก็จะลืมง่ายๆเหมือนกันแต่อะไรที่คุณได้มายากคุณทํายากคุณทําลำบากแหมมันก็ลืมยากเหมือนกันโอ้โหมันติดตาตรึงใจเหลือเกินเพราะ โอ้โหกว่ากูจะได้มามันยากเย็นแสนเข็นเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันจําแม่นอันเนี้ยเพราะฉะคนทุกวันนี้มันเลยลืมอะไรง่ายเพราะคนทุกวันนี้บางทีเลยเปลี่ยนแฟนบ่อยเพราะลืมแฟนง่ายเพาได้ง่ายๆเดี๋ยวนี้บางทีเนี่ยได้แฟนง่ายๆ่าย้ก็ทิ้งกันง่ายๆเปลี่ยนกันง่ายๆไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมโอ้โหบางทีกว่าจะแต่งกัน กว่าจะดูใจกันกว่าจะมั่นกันนี่โอ้โหเขาใช้เวลาทั้งนั้นเลยวันแต่งกันทีมก็เลยเลิ ก, ลกยากใช่ไหมล่ะมันมันยากกว่ากันน่ะว่าอะไรเดี๋ยวเนี่ยมันเป็นโลกของความมาักง่ายของความอะไรง่ายๆมันก็เลยกลายเป็นสภาพที่ถึงบอกว่าคนมันก็เลยติดสบายติดสบายเนี่ยก็คือติดแป้นไปด้วยติดความสุขที่อยากจะเสพอยากจะมีอยากจะกินอย่างนั้น มันก็ไม่อยากที่จะลำบากเมื่อไม่อยากลำบากเนี่ยก็ไม่สามารถจะเลื่อนฐานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนตาบใดใครที่ยังติดสบายอยู่จะไม่กล้าเลื่อนฐานจะกลัวการเลื่อนฐานของตนให้สูงขึ้นไอ้เลื่อนฐานลงไม่ต้องพูดถึงนะ <c oughs> อันนี้พูดถึงเลื่อนฐานให้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องที่อยู่อาศัยจนสุดท้ายเรื่องของอะไรเรื่องยารักษาโรคต่างๆ อันคุณดูเอาก็แล้วกันแม้แต่เรื่องยาเป็นยังไงทุกวันนี้ฮคนเราอะ่ะชอบยาอะไรที่กินง่ายๆไวๆเพราะฉะนั้นแผนอย่างของตะวันตกอแผนพวกอะไรเขาเรียกแผนปัจจุบันหรือเขาเรียกอะไร เ, เขาเขาคิดยาที่มันต้องแรงต้องเร็วต้องให้ผลอย่างทันอกทันใจง่ายๆ ม, ม, มันไปตามค่านิยมของคนแลวคนก็ชอบอย่างนั้นด้วยนะทั้งทั้งที่บางทีโอ้โหกินไปแล้วนี่อันตรายมีสูงนะอันตรายมีสูงเพราะว่ามั น, มนต้องเร็วต้องแรงอะไรพวกนี้ยายิ่งยาปฏิชีวนะที่เรียกว่าต้องเอาเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็อะไรอ่ะไปกวาดล้างเย่ยไปกวาดล้างไปทาลายจะเป็นเชื้อไวรัสหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณคิดดูเอาแล้ว ก, กัน วันมันรุนแรงมากเลยเสร็จแล้วคนก็ติดยาพวกนี้วันถ้าไปกินแบบสมุนไพรหรืออะไรอะยาไทยโบราณอะไรพวกนี้นะอ้ <c oughs> <c oughs> เบื่อรู้สึกกินไปมอมอๆหกินเยอะๆแยะเสร็จแล้วก็ต้องไปต้ม <c oughs> ต้องไปอะไรแล้วยุ่งยากลําบากเหลือเกินเพราะนั้นไม่ชอบไม่ทันใจคนทุกวันนี้ มันเป็นเม็ดเป็นอะไรมากินง่ายๆเคลือบน้าตาลมาให้อีก่างหากนะให้กินแบบรู้สึกแหมห ว, วานๆดีไม่เหมือนยาหม้อกิกนขมๆ ม, มันเฟื่องฟืน้างไม่มีใครอยากจะกินสัเท่าไหร่ทั้งคนจะเบื่อแม้แต่ยาทั้นนี้ น, น, น, นี่พูดถึงยามันสำนวนแต่ก่อนนี้เขาจะใช้บอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาแต่ปัจจุบันนี้ชใช้ไม่ค่อยได้เพราะอะไรเพราะเดี๋ยวนี้ยามันหวานซะแล้ว ยาเขามายามทำทุกพิธีทางเลยจะผลิตยังไงจะอะไรยังไงที่ให้คุณกินแล้วอร่อยที่สุด <c oughs> เออเป็นอย่างนั้นแหละมันเลยไม่ได้เป็นธรรมชาติอย่างของยาแล้วก็เลยทำให้คนเนี่ยติดยาเพราะว่ายามันกินง่ายมันกินสบายกว่าเดิมถ้าเป็นแต่ก่อนเนี่ยนะโอโ้กินยาต้มกินยาหมอด้กวก่าจะกินหายได้มันนานใช่ไม เพราะฉะนั้นคนมันไม่อยากไม่อยากป่วยคนน่ะไม่ไม่อยากป่ว ย, ย, วยเพราะอะไรโอ้โหเพราะไม่อยากจะกินยาแต่คนเดี๋ยวนี้ไม่กลัวเลยนะจะเจ็บจะป่วยจะอะไรนี่โอ้ยสบายมากหาซื้อที่ไหนก็ซื้อได้ด้วยเสร็จแล้วก็กิกนง่ายแล้วก็รู้สึกว่าหายเร็วใช่ไหมในความรู้สึกของเขาเพราะฉะนั้นเขาจะไม่กลัวป่วยเมื่อไม่กลัวป่วยเป็นยังไง ปล่อยปะละเลยสุขภาพมากกินก็มกักจะซีซัวกินพักผ่อนหลับนอนไม่เป็นเวล่องเวลา